พระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลขอพรครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พัก ครั้นแล้วอภิวาทได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระ อ, อนนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ดิฉันจะทูลขอพร อ, อย่างหนึ่งจากพระผู้มีพระภาคว่าขอประธานวาโรกาศท่านพระผู้มีพระภาคพึงอนุญาตการกราบการลุกครับการไหวสามีจิ ก, กรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย และภิกษุณีทั้งหลายตามลำดับพรรษาเถิดพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาตนั่งหนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ ดิฉันจะทูลขอพอรอย่างหนึ่งจากพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานว่าโรกาพระผู้มีพระภาคพึงอนุญาตการกราบการลุกครับการไหวสามีจิกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุณีทั้งหลายตามลำดับพรรษาเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ทฐาคตจะอนุญาตการกราบการลุกรับการไหว้สามีจิกรรมแก่มาตุคามอานนท์เพราะพวกเดียรถีเหล่านี้ผู้กล่าวทำไว้ไม่ดีก็ยังไม่กราบไม่ลุกรับไม่ไหว้ไม่ทำสามีจิกรรมแก่มาตุคามชะไหน สถาคตจะอนุญาตการกราบการลุกรับการไหวสามีจิกรรมแก่มาตุขามเล่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกราบไม่พึงลุกรับไม่พึงไหวไม่พึงทำสามีจิกรรม แกมาตุขามรูปใดธรรมต้องอาบัตทุกกฎ